ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปปะปุปะสิกขาและปุปะสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะอมรโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาหน้าต้นสตตะปปะปุปะสิกขา รันตนตยังวันดิตวาปุบะสิกขังวดามิหังสิกขันตานางสุพังโหติวัดพันตุพุทธศาสนาข้าพเจ้าไหวพระรัตนตรัยแล้วจะ ก, กล่าวบุพัฒิกาขอความงามจงมีแก่ผู้ศึกษาทั้งหลายขอผู้ศึกษาทั้งหลายจงเจริญในพระพุทธศาสนาเถิดคุลบุตรพึงศึกษาข้อทั้งเจ็ดนี้ก่อน ข้อต้นว่าด้วยคุณของพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เกิดขึ้นแล้วในมนุษย์อริยกะทั้งหลายในมัชชิมประเทศโดยชาติพระองค์เป็นกษัตริย์โดยโคตพระองค์เป็นโคตมโคตเป็นบุตรแห่งศักยะกษะสัตรออกจากศากยะตระกูลบวชแล้วพระองค์ทรงสแสวงหากิงกุศลสันติวรบทส่วนธรรมระงับทุกข์ อันบรวรประเสริฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพระองค์ได้มาละนิวนห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นของทาปัญญาให้เสียกำลังพระองค์มีจิตตั้งตรงลงในเฉพาะสติปัฏฐานทั้งสีอย่างพุทธชงทั้งเจ็ดให้เป็นให้เจริญขึ้นโดยความถ่องแท้แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิปัญญาทำเป็นเครื่องตรัสรู้เองชอบประเสริฐไม่มีสิ่งรายยิ่งกว่า นาโคนไม้โพธิอัศศพลึกริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็แลเกียรติสัพอันงามแห่งพระผู้มีพระภาคนั้นไปในเบื้องบนยิ่งฟุ้งไปดังนี้ว่าอิติปิแม้ดั่งนี้โสภกวาพระผู้มีพระภาคนั้นอารหังเป็นผู้ควรไกลกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้เองชอบวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ สุกโตเป็นผู้ไปดีแล้วโลกวิ đu เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกอนุตตะโรปุริสะดัมมสารถิเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษอันควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเดวมนุษสาวนั่งพระองค์เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตรโธพระองค์เป็นผู้บาแล้วพระขวาเป็นผู้แจกออกธรรมโมความดีจริงคือปริยัต ปฏิบัติมักผลนิพพานสวาขาโตภคะวตาอันพระผู้มีพระภาคกล่าวแล้วดีสันทิฏิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองประจักษ์อากาลิโกเป็นของไม่มีการอื่นขั้นเอหิปติโกเป็นของควรเรียกร้องว่าท่านจงมาดูได้โอปะนญิโกจะพึงน้อมเข้าใส่ใจได้ปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิ อันผู้วิเศษทั้งหลายพึงรู้แจ้งเฉพาะตัวภัทวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาว ก, สสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคสุปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติแล้วดีอุชุปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติจะออกสามีจิปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้ยาดิดังอะไรนี้คือว่า จตาริปุริษายุขานี้คู่บุรุษทั้งหลายสี่อัฏฐปุริตาปกคลามบุคคลผู้บุรุษทั้งหลายแปดพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันต์สี่จำพวกนี้นับตามมรรคผลเป็นคู่คู่ได้สี่คู่เรียงตัวได้แปดเอสะพระควโตสาวกสังโคสงเป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคหมู่นั้น อาหุ น, นโยเป็นผู้ควรรับของอันเขาเอามาบูชาตาหุ น, นโยเป็นผู้ควรรับของต้านรับทักินนโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญชลีกราณิโยผู้เป็นควรอัญเชลีไหวอันโลกกระทำอนุตตรังบุญเขตังโลกัสสะเป็นไร่นาบุญของโลกไม่มีไรนาบุญอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าโสตาปนโนพระผู้แรกถึงกระแส สกิดาคามีพระผู้มาคราวเดียวอนาคามิพระผู้ไม่มาอารหันโตพระผู้ควรไกลกิเลสรันตนเจยังปับบังนิสิตังข้อว่าพระรัตนตรัยจบแล้วข้อสองว่าด้วยชื่ออาบัติเป็นต้นอาบัติโดยชื่อมีเจ็ดคือตาราชิตหนึ่งสังฆาธิเศสนึ่งุลรัจใจหนึ่ง ปาจิตตีหนึ่งปาติเดศนิยะหนึ่งทุกฏหนึ่งทุกาสิต1หนึ่งปาราชิกเป็นอเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้นอกนั้นหกเป็นสตเตกิจฉาเยียวยาได้ปาราชิกกับสังคาริเศษเป็นครุกาบัตเป็นอาบัตหนักนอกนั้นห้าเป็นละหุกาบัตเป็นอาบัตเบาสังคาริเศษเป็นวุฒธธานะคามินีออกพ้นไปได้ด้วยวุ ธ, ธานคือการอยู่กรรม นอกนั้นอีกห้าเป็นเทศนาคามินีคือตั้งแต่สัรใจปาจิตตีปาติเิสนิยะทุกฏทุกาสิทธิออกพ้นไปได้ด้วยการสำแดงเสียส่วนประราชิกนั้นเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็ต้องไปเป็นสมณีหรือว่าเป็นครหัสเสียปาจิตตีมีสองคือนิสักยิยะปาจิตตีหนึ่งสุธิกะปาจิตตีหนึ่งว่าด้วยกาหนดสิกขาบทแห่งประราชิกสี่ สิกขาบทแห่งสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทแห่งสุรจัยไม่มีท่านไม่กําหนดสิกขาบทแห่งนิสสกียปยติสามสิทธสิกขาบทแห่งสุทิกะปยติเก้าสิบสองสิกขาบทแห่งปาติเรสนิยะสสิกขาบทแห่งทุกกฏมีมากท่านไม่กําหนดสิกขาบทแห่งทุกปาราศรีไม่มีด้วยว่าทุกปาราศรีมาในวิพังค์แห่งโอมาสวานสิกขาบท โดยจิตสิกขาบทมีเป็นสองคือสจิตตกะหนึ 1, ่งอาจิตตกะหนึ่งโดยเป็นโทษสองคือโลกาวัชชะหนึ่งปันนติวัชชะหนึ่งว่าด้วยสมุทฐานที่เกิดแห็นอาบัติสมุทฐานแห่งสิกขาบทมีหกคือกายหนึ่งวาจาหนึ่งกายวาจาหนึ 1, ่งกายจิตหนึ 1, ่งวาจาจิตหนึ่งกายวาจาจิตหนึ่ง สามข้างต้นเป็นอจิตตะสมุทฐานส่วนสามข้างปลายเป็นสัจจิตตะสมุทฐานว่าด้วยอาการที่ตุจะต้องอาบัตด้วยอาการหกก็คืออาราชิตาด้วยความไม่ละอายหนึ่งอายานตาด้วยการไม่รู้จักบัญญัติหนึ่งกูกุจจะประกาตะตาด้วยรังเกียจแล้วผื่นธรรมหนึ่งอากาติเยอากาปิยะสัญญาตาด้่ยสาคัญว่าควรในของไม่ควรหนึ่ง กาปิเยอากาปิยะสัญญาด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งสติสัมโมสาด้วยหลงลืมสติหนึ่งอาปตินามาดิปะปะนิทิตังข้อว่าด้วยชื่อของอาบัตเป็นต้นจบแล้วข้อที่สามว่าด้วยสิขาบทที่ใกล้จะต้องเป็นทางปฏิบัติมาก ในเมถุนสิกขาบทว่าทิสุเศษเมถุนในมรรคทั้งสามก็คือทวานหนักทวานเบาปาอันใดอันหนึ่งแม้ในเดรชานเป็นปาราชิตในอธินาทานว่าทิสุลักเอาเองหรือใช้ให้เขาลักซึ่งของของผู้อื่นแต่ห้ามาสกขึ้นไปเป็นปาราชิตในมนุษสวิทหะว่าทิสุฆ่าเองหรือใช้ให้เขาฆ่าซึ่งมนุษย์แม้ลูกในท้องให้ตาย หรือตั้งเครื่องสาตราและพนานาความตายเพื่อจะให้เขาตายเขาตายตามก็เป็นประราชิตในอุตริมนุสธรรมคือชานมรรคผลเว้นแต่สาคัญว่าได้เป็นประราชิที่ถ้าอวดอุตริมนุสธรรมนะชานมรรคผลพวกนี้เป็นเว้นแต่ว่าสาคัญว่าได้เป็นประราชิษทั้งสี่นี้เป็นสัจจิตกัศตาราชิกังนิสิตัง ในสันเจตนิกาสิกขาบทว่าพิสุกแกล้งพยายามเองหรือใช้คู่อื่นพยายามในองค์ชาติตนให้อสุจิตเคลื่อนเว้นไว้แต่ฝันเห็นเป็นสังขาธิเศษอันนี้ก็สำเร็จความไข้ด้วยตนเองเป็นบาสังขารพิเศษในกายยศสักคะว่าพิสุมีจิตกําหนัดในการเคล้าเพลิงแล้วจับต้องแม้แต่กรำผมแห่งหญิงแม้เกิดในวันนั้นก็เป็นสังขาธิเศษ ในทุตุทธ์และวาจาว่าที่สุดมีความกําหนับกล่าวคําชั่ว่าคือคําอาศัยเมถุนเวชชะมักปัสวะมักกะหญิงที่รู้ความเป็นสังฆทิศถ้าไปพูดพลาด ท, ทิงดรวยวาจาชั่ว่าในอวียกเพศของหญิงก็เป็นสังฆทิเศในอามูลกะว่าที่สุกโกรธที่ตุแลโจดด้วยประราชิกไม่มีมูลในที่ต่อหน้าผู้ต้องโจดรู้ความในขณะนั้นก็เป็นสังฆทิเศ ภาพนี้เป็นสังคิตตะในสารจริตตะว่าสิจุชักสื่อแม้แต่หญิงแพทย์สยามคือพวกโสเภณีคือรับคําของชายหรือหญิงแล้วบอกแก่หญิงหรือชายแล้วกลับมาบอกแก่ชายและหญิงเป็นสังฆนิเศสนี้เป็นอจิตตะชักสื่อนี่แม้พระอรหันต์ก็มีโอกาสสังฆธิเศษได้ก็ไปชักให้พ่อแม่ที่เลิกกันมาอยู่ร่วมกันนี้ก็เป็นสังฆนิเศษข้อชักสื่อ สัคัาทิเศษนี้ต้องแล้วพึงบอกเสียแก่พิษุถ้าปิดไว้นานเท่าใดต้องอยู่ปริวาสเท่านั้นสำคัญทเศษโสนิทิตโตพิษุอย่าพึงสลักอย่าแจกครุพันดะของสงอย่าให้เขาทำสัตจกรรมคือผ่าเจาะในที่แคบอย่าให้เขาทำสัตตกรรมหรือวัตถิกรรมคือผูกหัวไส้ในที่สองนิ้วแต่ที่ใกล้ที่แคบสี่นี้ขืนทาเป็นทุลใจ นี้เป็นสจิตรกะพิฆตุอย่าพึงฉันเนื้อมนุษย์ตาฉันเป็นทุลัยนี้เป็นอจิตรกะทุัจยานิสติตาทุรจัยนั้นมีไ ม, ม่มากในทุติยสาาถินสิกขาบทว่าพิกตุเมื่อการแห่งอานิสงส์สถินสิ้นแล้วอยู่ปราศจากไตรจีวรถืนใดผืนหนึ่งแม้แต่คืนหนึ่งเป็นนิสกิยาปจิตตีเว้นไว้แต่พิฆตุส ม, มุติที่ได้รับส ม, มุติ ในอายาตกะวินยัตว่าพิกสุขอจีวนกะคนใช่ญาติใช่ปรณนาก็หมายถึงว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนานั่นเองแต่นิสักยะปจิจติเว้นไว้แต่มีสมัยคือผ้าโจรชิงเอาไปเสียและหายเสียสิน้นในรูปิยะปฏิฆาณะว่าพิกสุรับเองหรือให้เขารับหรือยินดีซึ่งทองแรงเงินแลมาสกที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสักียะปฏิจตี ในกาะยะวิกะยะว่าภิกษุแลกเปลี่ยนเองซึ่งกับะวะิวญาณุกับคนอื่นจะสะท ร, รมิถ้าคือเว้นไว้แต่สะทำมิกนะแลกเปลี่ยนได้ถ้าไปแลกเปลี่ยนกับพวกกุศลพวกคนอื่นเป็นนิสสกิยะปะจิตตีสี่นี้เป็นอจิตักในอจินตนะว่าภิกษุให้ผ้าแก่ภิกษุอื่นเองแล้วโกรธกลับชิงเอาเองหรือให้เขาชิงเอาด้วยสําคัญว่าของตัวเป็นนิสสกิยะปะจิตตี ในปรินามะนะว่าที่สูรู้อยู่แลน้อมลาภของสงที่เขาน้อมไปแล้วมาเพื่อตัวเป็นนิสกียะปาจิตตีสองนี้เป็นสัิติกะให้พึงรู้ของได้มาจึงเป็นนิสกีตัวต้องปาจิตตีชื่อว่านิสกียะปาจิตตีก็ต้องสละทุก่อนนะถึงจะแสดงอัตตกนิสกียังนิติตัง ในมุสาวาดว่ารู้อยู่แลพูดปดด้วยกายแล้วาจาเป็นปาจิตตีในโอมสวาดว่าที่ถุกกล่าวเสียดแทงด่าวา่าทิสุอื่นเป็นปาจิตตีในเปยสุญยะว่าหมายจะให้เขารักตนหรือแตกร้าวกันและส่อเสียดคือบอกคำด่าว่าจริงหรือไม่จริงก็ตามแห่งทิษุแก่ทิสุเป็นปาจิตตีในทุตุลาโรชนะว่า พิสูจบอกอบัตชั่วยาคือสังขาริเศษทั้งวัตถุต้องเป็นติดของวัตถุของพิสูจแก่อนุสัมบัณ์เป็นปัจจิตีเว้นไว้แต่ได้รับสมมุติที่สุดที่ได้รับสมมติม่มีอบัตในปัฏฐวิคณนนะว่าพิสูจขุดดินเองหรือให้เขาขุดเป็นปัจจิตีในภูตคามว่าทำภูตคามคือต้อนไม้ต้นหญ้าให้กำเริบเอง หรือให้ผู้อื่นทำให้กรรมเริกเป็นปัจจิตีจะตัดจะทำลายอะไรก็แล้วแต่เป็นปัจจิตีหมดในอุชาปนากะว่าทิสุชวนทิสุอื่นให้ดูถูกหรือติเตียนเองซึ่งทิสุที่สงส ม, มุติให้ทำการสงเป็นปัจจิตีในอนุปคัพชะว่าพิสุรู้อยู่แลนั่งเบียดนอนเบียดทิสุที่ไม่ควรจะให้ลุกในวิหารกูดีของสงเป็นปัจจิตี ในนิกะธนะว่าทิสุกโกรธทิสุฉุดฆ่าเองหรือให้ผู้อื่นฉุดล่าออกจากวิหารกุดีของสง์เป็นปจิตตีในสินชนะว่าทิสุรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เอามารดเองหรือให้เขารดซึ่งหญ้าแลดินเป็นปาจิตตีในอุโยชนะว่าทิสุชักชวนทิสุด้วยการไปเที่ยวบินดาบาทและปรารถนจาจะประพฤติอนาจารไล่ทิสุนัเติยเป็นปาจิตตี ในระหนิสัชชะว่าพิสุผู้เดียวนั่งในที่รับที่บังตาพอทำเมถุนได้ด้วยมาตุคามเป็นปัจจิตีในทุติยะระหูนิสัชชะว่าที่สุผู้เดียวนั่งในที่รับหูรับตากับด้วยมาตุคามผู้เดียวเป็นปัจจิตีในอังคูลิปโตตะกะว่าที้พิสุเป็นปัจจิตี ในหัตถธรรมะว่าพิสุลงเล่นน้ำลึกท่วมข้อเท้าขึ้นไปเป็นปาจิตตีในอนาดริยะว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อบัญญัติที่อุปสมบัติว่ากล่าวและบุคคลว่ากล่าวเป็นปาจิตตีในพิงสาปะนะว่าพิกษุหลอนพิกษุเป็นปาจิตตีในอปานิธานะว่าพิกษุซ่อนเองหรือให้ผู้อื่นซ่อนซึ่งบาจีวรผ้ารองนั่งมีชายกลองเข็มประกตเอวของพิกษุอืน่น แม้หมายจะหยอกเล่นเป็นปาจิตตีในโวโรปณ ะ, ะว่าพิสุแกล้งฆ่าเองหรือใช้ให้เขาฆ่าสัตว์ยริชานเป็นปาจิตตีในสปานะกะว่าพิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์แลบบริโภคเป็นปาจิตตีในเทยักสัตถะว่าพิสุรู้อยู่ว่าพวกโจรและชักชวนเดินทางเดียวกันแม้ติ้นระหว่างบ้านเป็นปาจิตตี ในสังวิธานะว่าพิสุชักชวนมาตุคามเดินทางเดียวกันและสิ้นระหว่างบ้านเป็นปาจิตตีในปหาระดานะว่าพิสุกโกรธแลตีพิสุอื่นเป็นปาจิตตีในตะละสันติกะว่าพิษุกโกรธเงื้อมือแก่พิสุอื่นเป็นปาจิตตีในอนุทังสนะว่าพิกสุโจดพิสุอื่นด้วยสังกาธิเศษไม่มีมูลเป็นปาจิตตี ในอุปะดะหันะว่าพิสุแกล้งพูดให้ผู้อื่นได้รับความรำคาญด้วยบรร ญ, ญัติเป็นปาจิตตีในอุปสุติว่าพิสุเมื่อทิสุทั้งหลายเฉพาะแลแอดฟังความเป็นปาจิตตีในป ร, ริณามนะว่าพิสุรู้อยู่และน้อมลาภของสงที่เขาน้อมไปแล้วมาให้พิสุอื่นเป็นปาจิตตียี่สิบแปดนี้เป็นสัจจทกะ ในสหสยยะว่าพิจุนอนที่มุงบังอันเดียวกันด้วยอนุสัมพันยิ่งกว่าสามคืนเป็นปาจิตติในทุติยสหสยยะว่าพิกจุนอนที่มุงบังอันเดียวกันด้วยมาตุคามแม้คือหนึ่งเป็นปาริจิตติในธรรมเทศนาว่าพิจุแสดงธรรมแต่มาตุคามยิ่งกว่าหกคำเว้นจากบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยเป็นปริจิตติในปัตถมัสเสนาสนะว่า ที่สุแต่งตั้งปูราตเองหรือใช้ผู้อื่นให้แต่งตั้งปูราตซึ่งเตียงหรือตั่งหรือปูกหรือเก้าอี้เป็นของสง์ในอัชโชกาที่แจ้งเมื่อจะหลีกไปไม่รื้เก็บเองหรือให้ผู้อื่นหรือเก็บหรือไม่ตังเสียมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งก่อนแลหลีกไปเป็นปาจิตตีในทุติยักษ์เสนาสนะว่าที่สุเอาเครื่องปูนอนออกปูราตเองหรือให้ผู้อื่นปูราต ในวิหารกุดีเป็นของสง์เมื่อจะหลีไปไม่เก็บเองหรือไม่ให้ผู้อื่นหรือเก็บหรือไม่มอบหมายสั่งเสียผู้ใดผู้หนึ่งก่อนแลหลีกไปเป็นปาจิตตีในคณะโพชนะว่าพิสูตแต่ตีรูปขึ้นไปอัญไายกนิมนต์ด้วยชื่อโภชนะทั้งห้าแลรับแห่งเดียวกันฉันเป็นปาจิตตีในป ร, รัมประโภชนะว่าพิสูตอัญไายกนิมนต์ด้วยชื่อโภชนะห้า และฉันโภชนะแห่งทายกผู้นิมนต์ทีหลังก่อนเป็นปาจิตตีในปรวรณาว่าทิฏฐ์ฉันโภชนะทั้งห้าอยู่ห้ามโภชนะทั้งห้าแล่เพื่อนจากที่แล้วคือลุกจากที่แล้วกลับฉันของเคี้ยวของฉันเป็นอนัติริตะคือยังไม่ได้ทําวินัยกรรมแลไม่เป็นเดนทีิฏฐิให้เป็นปาจิตตีในตุราปาณว่าดื่มกินตุรามีไรเป็นปาจิตตี ในโชติว่าภิกษุไม่เป็นไข้ยอยาผิงไฟติดไฟเองหรือใช้ผู้อื่นติดเว้นไว้แต่มีเหตุเป็นปาจิตติในรัตนว่าภิกษุเก็บเองหรือให้เขาเก็บซึ่งแก้วแรของต่างๆที่ตกอยู่เป็นปาจิตติเว้นไว้แต่ตกอยู่ในวัดในที่พักอาศัยถ้าตกอยู่ในที่นั้นให้เก็บไว้ของใครเขาจะได้มาเอา ในคาหม่าประเวชนะว่าพิสุไม่ได้บอกพิสุที่มีอยู่แล่เข้าไปในบ้านในเวลาวิการเว้นไวแต่กิจ ด, ดวนเป็นปาจิตตีในสูจิคระว่าพิสุให้เขาทํากล่องเข็มแล้วด้วยกระดูกแรงนาแล่เขาเป็นเพดนะกะปาจิตตีในนิสีชนะว่าจะให้เขาทาํานิสีชนะท้ารองนั่งพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นโดยยาวสองคือโดยกว้างครึบหนึ่งกับครึ่ง ไา้อีกคืบหนึ่งด้วยคืบสุคต์กระทําให้เกิดประมาณนั้นต้องเฉดนกากตาจิตตีต้องให้ตาสิกรในวัติกาสาติกาว่าจะให้เขาทาผ้าวัตสิกาสาติกาผ้าอาบน้ําฝนถึงให้ได้ประมาณประมาณนั้นโดยยาวหกคืบโดยกว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบพระสุคต์ถ้าทําให้เกิดประมาณนั้นต้องเฉดนกากตาจิตตีในนันทะว่า ที่สุให้เขาทําจีวรประมาณเท่าสุขจีวรหรือเกินกว่านั้นเป็นเฉดานาการตาจิตตีประมาณสุขจีวรนั้นโดยยาวเก้าคืบโดยกว้างหกคืบโดยคืบสุขสิบห้านี้เป็นอจิตตกัคือพระสุขสิบหกนิ้วกับสองอนุกเบียรแห่งช่างไม้ในการบัดนี้เท่านี้เป็นสุขวิทัติหนึ่งแลปาจิตติยังนิจิตัง ทิศตพึงนุ่งแลห่มให้เป็นปริมณฑลจะเดินแลนั่งในบ้านพึงคลุมกายด้วยดีพึงสำรวมได้ดีพึงทอตาลงบึ้งต่ำอย่าเลิกผ้าขึ้นอย่าหัวเราะดังพึงมีเสียงเบาอย่าโคลงกายอย่าควแขนอย่าโคลงศีรษะอย่าเท้าสะเอวอย่าคลุมศีรษะอย่าเดินโย่งเท้าอย่านั่งรัดเผ่าจะรับบินทบาตพึงทำสติ พึงมีสำคัญในบาตรพึงรับแกงถั่วพอเหมาะสมพึงรับพอเต็มเสมอปากบาตรอย่าให้หนูน ล, ล้นจะฉันบินทบาทพึงทำสติพึงมีสำคัญในบาตรพึงฉันข้าวให้เสมอพึงฉันแกงถั่วพอสมอย่ากดล ง, ก ล, งกลางอย่าเอาข้าวสุกกลบแกงแลกลับไม่เป็นข่ายอย่าขอแกงแลมข้าวสุกผู้ใช้ญาติฉัน อย่าเพ่งโทษและดูบาดที่ตัวอื่นอย่าทำคำข้าวให้โตนักพึงทำคำข้าวให้เป็นปริมณฑลคำข้าวยังไม่มาอย่าอ้าปากอย่าใส่นิ้วให้หมดในปากอย่าพูดทั้งคำข้าวอย่าตัดคำข้าวเข้าปากอย่ากัดคำข้าวอย่าทำคำข้าวในกระพุ้งแก้มอย่าทำเมล็ดข้าวให้ตกเรียรายอย่าสะบัดมืออย่าแลบลิ้นอย่าทำเสียงฉปุูฉปุ อย่าทำเสียงดังสุดๆดอย่าเลียมืออย่าขอดบาทอย่าเลียดินสีตาบอย่าเอามือเปื้อนอามิตรจับภาชนะใส่น้ำอย่าเอาน้ำล้างบาททั้งเมล็ดข้าวเทในบ้านคนมีร่มในมือคนมีไม้ทองในมือคนมีศาตราในมือคนมีอาวุธในมือคนใส่เขียงเท้าคนใส่รองเท้าคนไปในยานคนนอนอยู่ คนนั่งรัดเขา่าคนมีศีรษะพันผ้าคนคลุมศีรษะเหล่านี้ไม่เป็นไข้า ย, ยาแสดงธรรมแก่เขาและอย่านั่งที่แผ่น ด, ดินแสดงธรรมแก่คนนั่งบนอาสนะและอย่านั่งที่ต่ำแสดงธรรมแก่คนนั่งอยู่สูงและอย่ายืนแสดงธรรมแก่คนนั่งและไปข้างหลังอย่าแสดงธรรมแก่คนไปข้างหน้าและเดินนอกทางอย่าแสดงธรรมแก่คนเดินในทาง ไม่เป็นไข่ยายืนถ่ายอุจาระปัสสาวะและยาถ่ายอุจาระปัสสาวะบ้วนน้ําลายในที่เขียวและยาถ่ายอุจาระปัสสาวะแล้บ้วนน้ําลายลงในน้ําเสกิยานิติตาทีต่ตุอยาหนุ่งห่มดังครหัหอยาทรงผ้าสีต่างๆมีสีเขียวและเหลืองเป็นต้นอยาทรงผ้ามีชายไม่ได้ตัดและผ้ามีชายยาวและผ้ามีชายเป็นดอกไม้ และผ้ามีชายเป็นแผ่นอย่าทรงเสื้อกางเกงและหมวกผ้าโพกอย่านั่งรัดเผ่าด้วยผ้าสังฆาติอย่ามีแต่ผ้านุ่งและผ้าห่มเข้าบ้านไม่เป็นไข้อย่าไปด้วยยานและอย่าใส่รองเท้าเข้าบ้านอย่าใส่รองเท้าสองชั้นสามชั้นและรองเท้าสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นและรองเท้าปกส้นปกหลังเท้าเป็นต้นแล่รองเท้าไมา้รองเท้าญ้าเป็นต้น ยาทาแลผัดแลย้อมหน้าแลย้อมตัวด้วยเครื่องทาเครื่องย้อมอย่าทรงเครื่องกระดับมีตุ้มหูเป็นต้นอย่าให้เขาถอนผมงอกอย่าให้เขาตัดผมอย่าให้เขาตัดซึ่งหนวดไม่เป็นไข้ย่า้องดูเงาหน้าในกระจกแลผาชนะน้ำย่าเพ่งดูนิมิตหญิงเมื่ออาบน้ำย่าสีกายในต้นไม้ในเสาในฝาอย่าเอาหลังต่อหลังสีกัน ไม่เป็นไข้อย่ากั้นร่มนอกอุปจารวัดอย่าให้เขาเขียนรูปภาพอย่าเอาบาทห้องแขนอย่าเอาบาทวางบนเตียงบนต่างบนร่มบนตักบนพึงที่ปริพันธ์อย่าวางบนพื้นคงแข็งอย่าเอาของเป็นเดนใส่ในบาดแลล้างมือในบาดอย่าเอาบาทเปียกเก็บไว้แล้ตากแดดอย่าตากบาทให้นานอย่านั่งอาสนะยาวกับหญิงและบันดอ และอุปโตพยัญชนกอย่านั่งที่เตียงตั่งกับอสมานานิกะผู้มีอาสนะไม่เสมอกันคือผู้แก่และอ่อนกว่ากันแต่สองพรรษาสามรูปอย่านั่งนอนที่นอนสูงใหญ่มีเตียงตั่งมีเท้าสูงกว่าประมาณและเบาฟูกยัดนุ่นแลนเครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตต่างๆเป็นต้นอย่าตรงหมอนใหญ่ประมาณจึงกาย อาสนะขาปูไว้ไม่ได้พิจารณาก่อย่านั่งอย่านอนในที่นอนอันเรียรายด้วยดอกไม้อย่าห้ามอาสนะที่สุกแกย่าไหวอวันดิยะบุคคลสิทธิ์คือผู้อุปสมบทที่หลังหนึ่งอนุสัมปันหนึ่งผู้มีสังวาตต่างกันเป็นผู้แกแต่เป็นอาธรรมวาทีหนึ่งมาตุคามหนึ่งบันเดาะหนึ่ง ปาริวาสิกะหนึ่งอุรายาปฏิกัสนาร r a h ผู้ควรแก่การชักทหารเดิมหนึ่งมานัตาระหะผู้ควรแก่มานัตหนึ่งมานัตาจาริกะผู้ประพฤติมานัตหนึ่งอัพทานาระหะผู้ควรแก่อัพทานหนึ่งอย่าเอาเสนาสนะของสงฆ์จะพึงบริโภคในที่อื่นไปบริโภคในที่อื่นที่สุฉันค้างอยู่อย่างให้เธอรุก อย่าไล่ให้พิสุขไข้ลุกจากเศนาสนะของสงฆ์เพิ่มอุปทานพิสุขไข้เป็นผู้ไข้เล็กน้อยอย่ากลางกั้นเศนาสนะถือเอาเศนาสนะแล้วอย่ากลางกั้นสิ้นการทั้งปวงผู้เดียวอย่ากลางกั้นเศนาสนะสองแห่งอย่ารับอย่าฉันเนื้อปลาดิบอย่าฉันอุติสะมังสะเนื้อปลาที่เขาฆ่าเฉพาะสาธรมิก อย่าเรียนอย่าบอกเยรชันวิชาเทระไม่ได้เชื้อเชิญกอดอย่าแสดงธรรมในถ้ำกลางสง์อย่าขับร้องสวดแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวไม่มีผ้ากรองน้ำอย่าเดินทางพีกตัวอื่นยืมผ้ากรองน้ำอย่าหวงอย่าให้ของศรัทธาไทยคือขอที่เขาให้ด้วยตาตาให้ตกไปคือให้อนามัฐบินทบาตรของกินที่ ยังไม่ได้ฉันเป็นต้นแก่คฤหัสอยาทํายาให้และอยานําข่าวสารและยาสงเคราะห์ตระกูลด้วยให้ดอกไม้ลูกไม้เป็นต้นยาประพฤติอนาจาร์ต่างๆเป็นต้นว่าปลูกเองหรือให้ผู้อื่นปลูกซึ่งกอไม้รดน้ําเองหรือให้ผู้อื่นรเก็บเองหรือให้ผู้อื่นเก็บร้อยกลองดอกไม้เองหรือให้ผู้อื่นร้อยกลอง และเล่นของเล่นต่างๆมีหมากแยกเป็นต้นอย่ากลิ้งโยนศิลาเล่นอย่าขึ้นต้นไม้อย่าจุดป่าอย่าใช้อากพิยะบริขารต่างๆคือร่มเครื่องจีวรรังดุมลูกดุมบาตรภาชนะเครื่องใช้ธ ร, รมกระดกประคตเอวลูกถวิลหัวประกตฝากกุญแจตัวกุญแจมีดพับมีดตัดเล็บมีดตัดไม้ถีฟันไม้เทา้าเป็นต้นเหล่านี้ เป็นของวิจิตรงดงามด้วยลวดลายปักเย็บเครือวันวิการต่างๆไม่ควรอย่าทรงพัดชนีทำด้วยขนสายจามรีอย่าเคี้ยวไม้สีฟันยาวมากกว่าแปดนิ้วหรือว่าสั้นกว่าสี่นิ้วอย่าทำการสั่งสมเครื่องโลหะและเครื่องสมริอย่าชักชวนบรรพชิตในกรรมอันไม่ควรเป็นช่างโกนอยู่แล้วอย่ารักษามีดโกนไว้ก็คือเป็นช่างตัดผมนี้ไม่ให้รักษามีดโกน เครื่องประดับหญิงรูปหญิงข้าวเปลือกเจ็ดแก้วสิทธิ์รัตะนะสิบอย่างเครื่องดนตรีผลไม้ในต้นยาถูกต้องนะพวกนี้เป็นอนามาตรวัตถุหมดยาลูกครัมภาชนะใส่ของยังไม่ได้รับประเค้นะจะเป็นอุกหิตนะจัต้องขอที่ไม่ได้รับประเคนนี่เที่ยวบินธบาทผงตกลงในบาตรพึงประเค้นหรือล้างเสียก่อน พิสุเป็นอาคันตุกะจะเข้าไปในวัดอื่นพึงถอดรองเท้าลดร่มเปิดศีรษะเสียพิสุผู้แก่พึงอนุโมทนาในโรงฉันพิสุสี่องค์ห้าองค์พึงนั่งคอยท่าอยู่อย่านั่งเบียดพิกสุแก่อย่าห้ามอาสนะพิกสุหนุม่มอย่านั่งทับผ้าสังฆาติในโรงฉันอย่าเทน้ําให้ถูกผ้าสังฆาติและพิสุที่นั่งใกล้ไปบิณฑบาตอย่าเข้าให้เร็วนะักอย่าออกให้เร็วนะัก อย่ายืนให้ไกลนักใกล้นักช้านักอย่ากลับเร็วนักอย่าแลดูหน้าทายกจะชำระเสนาสนะอย่าตกเคราะห์ที่ใกล้พิกจุและใกล้วิหารกุดีและใกล้น้ําฉันน้ําใช้และอย่าตบเคราะห์ในที่เหนือลมอยู่กุดีเดียวกันกันกบพิกจุแก่ไม่บอ ก, ก่ออย่าให้อุทเทศและปริปุชฉาอย่าสาธยายแสดงธรรมตามประทีบดับประทีบ เปิดปิดหน้าต่างอย่ากระทบทิกตุด้วยมุมชีวรทายอุจาระแล้วน้ำมีอย่าไม่ล้างก็คือต้องล้างอย่าไปเวทจกุดีตามลำดับผู้แก่ให้ไปตามลำดับที่มาอย่าเข้าเวชจกุดีให้เร็วนะอย่าเลิกผ้านุ่งเข้าไปอย่าเด้งดังอืดอืดอย่าเคี้ยวไม้สีฟันพลางอย่าทายเวชนอกล่องอย่าถ่ายปัสสาวะนอกรางอย่าบ้วนน้ำลายในรางปัสสาวะ อย่าชำระด้วยไม้คมไม้ผูกอย่าทิ้งไม้ชำระในหลุมคูดอย่าออกให้เร็วอย่าเลิกผ้านุ่งออกมาอย่าชำระด้วยน้ำดังจะปุจจุุกอย่าเหลือน้ำไว้ในหม้อชำระเปื่อนให้ล้างเต็มให้เทรกให้กวาดย้อมกีวรตากแถวน้ำยังไม่ขาดอย่าหลีกไปพึงปฏิบัติด้วยดีในอุปชาอาจารย์ ไม่ปอบปุปชาอาจารย์ก่อนอย่าทำการให้แลรับจีวรเป็นต้นแก่คนบางคนและเข้าบ้านไปป่าช้าหลีไปถุทิศเหล่านี้เป็นส ก, กิจตะกะพิุอยามพึงไปดูฟ้อนขักประโคมไม่ผูกประคตอย่าเข้าบ้านมีบาดในมืออย่าผลักบานประตูอย่านอนที่เตียงต่างเครื่องราชอันเดียวกันแลนอนห่มผ้าผืนเดียวกัน ยาฉันอย่าดื่มในภาชนะเดียวกันยาฉันกระเทียมพื้นทาบริกรรมและเครื่องลาดของสงท้าไม่ได้ล้างท้าเปียกใส่รองเท้าอยู่กาเยยบยาอิงสาเขาทำบริกรรมเตียงต่างของสงลาดด้วยผ้าของตนตอนจึงนอนยาไว้ผมแลรหนวดแลเ์คราแลรขนจมูกแลเล็บให้ยาวยาขัดเล็บยาถอนขนในที่แค่ ไม่ได้ดูก่อนอย่าทิ้งอย่างเยื่อของเป็นเดนเป็นต้นนอกฝานอกกำแพงอย่าทิ้งของเป็นเดนนละอุจาระในไรนาของเขาไม่พิจารณาก่อนอย่าฉันเนื้ออย่าฉันเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อรัชจสีเนื้อเตือโคราะเนื้อเถือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเสือดาวนอนกลางวันให้ปิดประตูเหล่านี้เป็นอกิตกะพึงเว้นจากการรับข้าวเปลือกดิน และไรนาธาชายหญิงโคแพะกระบือไกตุกรเป็นต้นเหล่านี้ไม่ทําตามเป็นทุกกฎทุ ก, กตังนิทิตังภิกษุแกล้งพูดหยอกล้ออุปสัมบันและอนุสัมบันด้วยอโกสวัตุมีชาติเป็นต้นเป็นทุกภาสิตธินี้เป็นสัจจิตกะมีข้อเดียวเท่านั้นทุกภาสิทธิ์ทุพาสิทตงนิทิตัง ปฏิปฏิมุขะตับตางนิติตังข้อที่จะต้องปฏิบัติก่อนนักสติขาบทที่ควรยี่นแต่ก่อนนี้ก็แค่นี้จบแล้วข้อที่สี่ก็เอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้จตนาในการพิจารณาอนุเคราะห์ต่ออธิเสและศกขษะในพระปฏิโมกหรือว่านอกพระปัติโมกก็ตามเมื่อมีศรัทธาอันบริบูดีแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่วิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อเอื้อเฟื้อต่อ การประพฤตธประมัญจารด้วยอินทรีห้าก็จะเป็นปรรจัยแก่ความท่อง้อมของอริยมรรคเหนี่ยแปควาเจริญในตรสิทธาของพัสมาส ม, ามาสำมิตรเจาจนกทั่งได้บรรลุอริยมรรคอริยผลโดยทั่วกันโดยเทินสาธุสาธุสาธุ